วันนี้คณะครูและเจ้าที่โรงเรียนวันสว่างจิตนะก็จะสิ้นสุดการอบรมจากนี้ไปนะก็จากเที่ยงไปก็จะได้เดินทางจุดหมายในใจของทุกคนนะก็คงได้แก่บ้านนะหลายคนก็นึกถึงบ้านแล้วตอนนี้รวมทั้งผู้ปฏิบัติธรรมคนอื่นด้วยนะแต่ก็อย่าลืมนะเมื่อวานเมื่อคืนนี้เราก็คงได้ตระหนักแล้วว่าวันนี้จุดหมายของเราคือบ้านก็จริง แต่วันหน้านะปลายทางของชีวิตเราก็คือเชิงตะกรอนปลายทางที่ว่านี่มันมาถึงแน่นะให้มันเตือนใจและเลึกถึงความจริงข้อนี้อยู่เสมอเพื่อว่าจะได้ตระหนักว่าเรายังมีหลายอย่างที่ต้องทําเมื่อคืนหลายคนก็เศร้าโศกเสียใจเพราะว่าเสมอกับได้ตายไปจากโลกนี้แล้วนะ ได้จากคนรักจากพ่อแม่จากลูกจากสิ่งต่างๆที่รักแล้วก็หวงแหนหลายคนก็ร้องไห้แต่ข่าวดีคือว่าเรายังไม่ตายนะเรายังมีลมหายใจอยู่พ่อแม่ลูกหลานคนรักของเราก็ยังอยู่กำลังรอเราที่บ้านอันนี้คือโชคนะกี่คนที่ตระหนักว่า เรายังโชคดีที่ยังมีลมหายใจอยู่กี่คนที่ตระหนักว่าเรายังโชคดีที่ยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้ไม่พิการกี่คนที่ตระหนักว่าเรายังโชคดีที่ยังมีพ่อมีแม่มีคนรักสามีหรือภรรยาอยู่เคียงข้างมีลูกนะรอเราอยู่ที่บ้านเป็นเพราะคนเราไม่ตระหนักนะว่าเรามีโชคเหล่านี้อยู่เนี่ยเราจึงปล่อยเวลาในที่ มีค่าให้ผ่านเลยไปโดยปราบประโยชน์แล้วก็เอาแต่ทุกทุกเพราะเรื่องอื่นทุกเพราะเรื่องงานทุกเพราะยังไม่ได้เลื่อนเงินขึ้นเงินเดือนเลื่อนขั้นหรือทุกเพราะยังไม่ได้มีรถมีบ้านเหมือนคนอื่นเขาหารู้ไมมว่าจริงๆแล้วยังมีสิ่งดีๆอยู่กับเรามากมายแต่สิ่งเหล่านั้นคนเหล่านั้นเนี่ยชอบเงินก็ต้องจากเราไปคือช่บไม่เรอ ถ้าเราไม่เป็นฝ่ายจากเขาเขาก็จากเราอย่ารอให้วันนั้นมาถึงแล้วจึงค่อยรู้สึกว่าโอ้ที่ผ่านมาเรามีโชคเหลือเกินแต่เราลืมเรามองข้ามไปอย่าให้ถึงวันนั้นแล้วค่อยตระหนักว่าหรือเราลึกว่าเราปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปเพราะเราไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยไม่ได้ทำดีกับเขาไม่ได้ให้เวลากับเขาหรือไม่ได้มีความสุขมีประสบการณ์ดีๆร่วมกัน พ่อเอาแต่เพลินนะกับความสุขส่วนตัวหรือว่าหมกมุ่นกับงานการพ่อคิดว่าตอนนี้นะทำงานหาเงินก่อนให้ร่ํารวยก่อนแล้วค่อยมีเวลาให้กับพ่อแม่ทํางานให้เสร็จนะเส้นตายมันจ่ออยู่แล้วต้องรีบหยอดเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนะไปให้เวลากับเขาแล้วถึงเวลาเสร็จงานจริงเราก็ผัดพผ่อนไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้ครับว่าเดี๋ยวนี่มันทําร้ายคนมาเยอะแล้วนะควรจะไปเยี่ยมพ่อแม่สักทีนะเสาร์อาทิตย์นี้แหละไม่ได้ไปเยี่ยมท่านนานแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวเพื่อนชวนไปภูเก็ตนะชวนเพื่อนเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนชวนไปเที่ยวฮ่องกงเดี๋ยวก่อนนะกลับมาแล้วค่อยค่อยไปไปหาท่านคนจะคิดแบบนี้เนี่ย เรียกว่าน้ำตาน้องหน้ามาหลายคนละเพราะว่าพอเดี๋ยวๆเนี่ยเพราะว่าในสุดนะคนที่รักก็จากไปแล้วก็มาเสียใจว่าเราไม่น่าเลยไม่น่าผัดผ่อนเลยต้องเปลี่ยนจากคำว่าเดี๋ยวหรือเดี๋ยวก่อนนะเป็นเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะทำเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วถ้าเราทำเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่ติดค้างใจเพราะความรู้สึกผิด ที่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยไปยพยายามปฏิบัติกับคนที่เรารักเสมอว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของเราหรือเป็นวันสุดท้ายของเขาและนอกจากการทำดีกับคนที่เรารักไม่ผัดผ่อนไม่เอาแต่ประเดี๋ยวประเดี๋ยวแล้วก็อย่าลืมนะทำดีกับตัวเองด้วยเป็นมิตรกับตัวเองให้ได้ ทำให้กายและใจนี้เนี่ยนะมันเป็นมิตรกับเราซึ่งก็ต้องเริ่มต้นจากการจากการที่เราเป็นมิตรนะกับกายและใจนี้ให้ได้โดยเพราะจิตใจสําคัญมากดูแลใส่ใจจิตใจให้ดีมีสติเป็นเครื่องรักษาใจอย่าให้ความหลงมันครอบงำํำพอถ้าความหลงมันครอบงําแล้วเดี๋ยวมันก็ชักพาเอาความโกรธความเศร้า ความแค้นความพยาบาทความรู้สึกผิดติดข้างใจมาคลองจิตคลองใจของเราจนหาความสุขความสงบไม่ได้ต้องบันนะพาใจเนี่ยกลับมากลับมาอยู่บ้านนะเอากายเนี่ยเป็นบ้านของใจทำอะไรใจก็รับรู้ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ใจก็ยังอยู่กับเนื้อกับตัวอาบน้ําถูฟันนะกินข้าวซักผ้าล้างจานอย่าให้ทําแต่กายนะใจก็รับรู้ด้วยนะเรียกว่ากายทําอะไรใจก็รับรู้หรือผู้เรีย น, นคือว่าทําด้วยใจเต็มร้อยอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าใช้ชีวิตเต็มร้อยหลายคนบอกว่าเนี่ยฉันอยากจะใช้ชีวิตเต็มร้อยนะแต่ว่าเวลาทําอะไรเนี่ย ใจก็ไม่อยู่กันเน้อ ก, กับตัวอยู่ด้วยความหลงอยู่ด้วยความลืมมันจะเป็นชีวิตที่เต็มร้อยได้อย่างไรชีวิตที่เต็มร้อยมเกิดขึ้นได้เพราะว่าทำรายใจก็อยู่กับสิ่งนั้นทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ะไม่แบ่งภาคไม่แบ่งครึ่งไม่ใช่กินข้าวไปก็ใจนึงก็นึกถึงงานอาบน้าไปใจก็นึกถึงว่าเดี๋ยวจะทาอะไรข้างหน้า ใจมันไม่เต็มร้อยกับสิ่งที่ทําอยู่ข้างหน้าแล้วอยากใช้ชีวิตเต็มร้อยได้อย่างไรไอ้คำว่าใช้ชีวิตเต็มร้อยก็เป็นเพียงแค่คําลวงนะของตัวหลงนะตัวหลงมันก็พยายามหลอกเราว่าเนี่ยใช้ชีวิตเต็มร้อยตั้งแบบนี้แหละแต่ที่จริงเนี่ยมันทําให้เราจมอยู่ในความหลงมากขึ้นอาจจะให้ความสุขชั่วคราวนะแต่ว่าตามมาด้วยทุกข์ที่ยาวนานมีบ้านรออยูนะ่ข้างหน้าเราแล้ว แต่นั่นเป็นบ้านของกายส่วนใหญ่ยังหาบ้านให้ใจไม่ได้ใจที่ระหกระเหิร์นระเหเร่ร่อนแล้วสุดท้ายก็กระเซาอรกระเซิงกลับมานะด้วยความเหนื่อยล้าเสร็จแล้วก็เลยเปิดช่องว่างนะให้ความหลงให้ความทุกข์เข้ามาเล่นงานเข้ามารังความหรือเบียดบังเอากายเนี่ยนะเป็นบ้านของใจอยู่เสมอนะ ทำอะไรนะก็รู้เนื้อรู้ตัวตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะนี่เป็นหลักง่ายๆเวลาให้ถือหลังนี้ก็ได้ว่านะเห็นกายเคลื่อนไหวเมื่อทำกิจรู้ใจคิดนึกนะเมื่อถูกเมื่อเจอสิ่งกระทบคนเราเนี่ยนะมันก็ทำาก่สองอย่างนี้แหละย4ิบสี่ชั่วโมงตลอดชีวิตนะก็คือทำทำอย่า ง, ง น, น, น, นั้นทํโน่นทํานี่ กับเจอนั่นเจอนี่เมื่อเราทําอะไรนะก็ให้รู้ตัวเรียกว่ารู้กายขึ้นมาเมื่อทำกิจรู้ใจคิดนึกนะเมื่อมีสิ่งมากระทบหรือมาเจอผัสสะแค่นี้แหละก็จะช่วยทำให้ใจเรามีที่พึ่งและใจมันก็จะกลายเป็นที่พึ่งพาของเราในที่สุดอยู่ไหนก็มีความสุขไกลบ้านตัวไกลบ้านใจใจอบอุ่นนะมีความสุขอยู่เสมอก็ฝากไว้เท่านี้นะ เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมพังขอยท่าผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วที่บาเมวัสมีชตัตรูองสำเร็จโดยฉาพรจ่าเพปูเรนตุสังกัปปาพอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาทาเหมือนพระจัรย์นวันเพนมณีโชติราโสยาทา เหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยควรดินดีสาภิจโยวิวาชนตัวหวานจันไรทางปวงจงบำราบไปสาพโรโควินาสตุโรทางปวงของท่านจงหายมาเถภาวตวันตรารโย ο, อันตรารยายามีแก่ท่านทีขายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาทนาสีฤานิจางวุฑาปัจจายิโนจานตาโรธร ม, มาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังสามสิปาการคืออายุวันนาสุขาพรลายยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอนอนอนเจ้าผู้ใหญ่เป็นนิจภาะวะตุสาพมังขลังกอสาภะมงค่อนจงมีแก่ท่าน ราคันโตสาพาเทวตาอหลาเทวดาทั้งปวงจงรักษาธรรมอุทานุพาเวนด้วยอานุพาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุพาเวนด้วยอานุพาแห่งพระธรรมสาพาสังพานุพาเวนด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันโตเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเดิม